ได้เดือนได้ยูนั่ a ไม่ใ n ่ยู n านไหนเมื่อไงนั่งนั่งตาเหนื่อยดอกสอนดูยิ้มยิ้เต็มทุกย่างจะแค่ผู้ป้นพระบนอิ่มสอยยูนั่งีดาบยูนั่สบายขึ้อดีทั้งได้ตกไปเกี่ยวขอบผู้ป้อนเี้เนาะเป็นชาวเก่า อตางค้ใจแต่ว่าลากาง้นยัเ้าไม่คที่นี่เไหลบาไม่าที่าลกาอยู่ตามเดของเขาไตอนียเช่นนุ่งอยู่ตามเดิมขเขาต้งนียไวาเกี่ยวของวัดิ์กาตางนอยู่ล่ยจัยล ก็ลมช้าได้อย่าแค่ทุกนพรแต่คือวันนี้ผมเป็นใจเลยว่าเนี่ยน้ำหมสอน้ำเจ้าฝ้ายเจ้ามิจฉาหูตลาดอนีรดีแค่ดีหวานจะสองน้ำแม่จะใส่ใส่นสั่นลายอะไรเงี้ยสิเกตดีเสดดั ตั้งคยืนมาแหละขวเลยภาวนาดีสมรสอยู่า拉เหงื่อมหายใจอันใดกรไดทั้งัน่ีาหรดอกปูผู้แ่กระด้รสนรปููแต่ไรทนนข้ามเพืาใจเอาขึ้นงี้ดีันเป็ไงกีี่เฉียดกี่ข้ามอย่า้ตัวหอ้ มหญ่ๆฟ่อนดีทีแม้วัดมากว่าไดเกิดปูกเป็นค่้นมากตัวจาล้าวงคุณ่าแถ้วบอตัวลูก่ป่าแถน้ำจางเขาคุยเอาฟ่อดีไหึงตัวก็ได้คือเป็นสมบัติทั้ดีให้ซอนแล้วายห้อย่นี้อย่อื่นมันขสมอถ้าสมองมันเหนื่อยเนี่ยมันสบาย ข้าวม้ามันหน่อยน้ำข้าวมันหน้าอย่ามันเดือดแล้วปวดร้างกวดเวเใจเปใจเลมนานมันเานะเจว่าเป็นายข้ามามัน้งวสป้อมอะไร่กานเอาไว้บางหนาเอาไว้งสเีย หง่ท้องม่านแต่ดูดีไมติดได้อำนาจท้องนเดือดไปว่าฟ้าเคลื่ลนมันนี่ตอไปจะบอกแกอยาพิ่นี่ครับห้ามหลั้าไต่าหีแน่เจี๊ยบแด ข้าน้องนางภาวนาข้ามด่ายข้าใดอีดอกข้าดื่มใจลยาสลบนางสะงดกินจะงกลถ้าเหนื่อยงขอวัดนงกินเม็ดใสนางเ็นมันหูวยดูมันเดือเยี่ยอกมาแคได้บอก ว่ามันเห็นคือเห็นมันเห็นเป็นสิงแบบเชือตัวกัน โบถูเอียงร้อนะแต่พอท่าได้เพราะมันมีใบเด็กเก็ใช้ได้มันจะปวดใช้ว่าเขาบางขาเข้าแขนเข้าบางัาเข้าค่อยเห็นตัวคนนังเพราะว่าหน้าสายก็ทํามป้อมดีตายด้วยทั้งเงาเดินไปกินยาชาไปถูกพ่อตายเหยื่อโเป็น ถาราประโยชน์มั้งหนิ่งอยู่บ่อยกานตายสั้นกันตายเดินไมคกามตายนังท้อหน้าตายไม่ค่อยได้นิ่ง ที mm ่ม hmm. ันตัวร้ เดี๋ยวหมเป็นชาดอกอย่าเงี้ยแล้วน็จะต่อวันสบายอย่าี้อาผิวรักษาของมันดิจวนเหลังเรื่า เอามากเอาฝนลงก็ว่ได้แล้วก็ใส่ในหน้าพอดามลูกไปีบบองทับหนไหลอกดอออกพ่วงร้อยเกลียวลงมัน่าได้แต่ถึงสมัยจีออกเียมันถึงออกว่าเอเดี่ยวเขาเนี่ยเาสี่ด่าไใส่แนเยียบไปใสถึงวันถึงเมา่อ้ใจ่ไ้องเปลี่ยนข้าใจทุค้งทเปิดขึ้น เห็นสิอาจจกำลงัไหมยเขาเาดอหยเื่นผมยเวื่อไฟใล่ามาร่วมตรว ไฟไมเล่ือไฟันนี้ที่เรียกว่าแม่อันนั้นเรียกว่าดีเดือดไฟเดือหญือจเป็นมีดใส่เป็นดอกเป็นอยใชหุ้ยใหญ่อุยให้ต้องสอนจนฟ้อนะครับหายใจตรงก็อดแตกก็แตกตรมนี้เ่ามันจะตาองเอาจากรอบนึอบี้รอบนึเอาเงมเดล ชังพัดบนได้ก็ออกวัตถุทาปายเ่หมึ่งเฮ้ยเทียดานบนได้เจ้านดวันมันสังพัดล่มถะออกวัตถเทาหนึ่งจองเข้าบนได้วัตถใจจะตีตงจานดวันใจนีู้มันติแปลนียืไม่จะจะลบได้สค่นแล้ว อ, ần, อ ỉ, ăn, ๋อเนาะมใช่ห้มันเล็งเยอะอารมณ์อันนั้นเยอะอารมณ์อันนี้วุ่นวี่วุ่นวากันแค่ว่าเด็กสมุดสบายก็เที่ยวขึ้นสมุดไฟไปวันสมดไฟชิ้นห่สมดไฟชินหนาสมุไฟเดือนหนึ่งสมดไฟเดียนหนาสมดไฟหมดปีหมดจับใครผมยิ้มอันใดก็ได้ต้องยุบต้อมสบายอยากอาอากท่ำ ไม่ต้องงัวกอดบอกเขาสอนก็พอตอนนี้คิดว่าเหนื่อยจือเต็รั เรื่อยๆต้นอื่นเลยเนาะเป็นอย่างนี้บางคนอื่นเดีเขาเล่าเรื่นี้าเจ็บตัวกับมันเล่หน่อยเจ็บตัวกับมันเล่าห่อยนอื่นเนาะเราไม่รู้หรอกดีเราเลือกที่เรื่องเนี กี ino, ้ากระลาได้ครับกีฬาทีเจน่าล่ออย่างนี้สูงมีโลกของเขาล่อข้ทงนั้นมันจอดไม่ได้มีเอ็นข้างอยู่เลี่ยงคือทีเจน่าข้องเสียงอุบายจอดไม่ได้ตายตัวเข้า ได้ยิบ o อกกันลาภองบุญด้ยิ่งยิ่งว่าพื่อนแล้วจุดใจใจแล้วทีเห็นใจอย่านี้พ่เออหนาเลยนั้นจุดใจอไปเกิดไดูั มันเงียนอนเนี่ยใส่มันเยนอนใส่คิดไปเลยมยู่มันอยู่น้ำเรยอยู่เง้องเงี มเนี่ยถึงผู้เขาเนี่ตามไปได้แบรแรงร่มเหยียดจังเดียวก็ละร่่นันอกงนอกก็มี่างต่นี่ยที่เล่าที่ตามไปจนิแต่อาศัยกนออยู่สอล้านเหรียมนแนอน เงาได้มุมได้เนี่ยจุดยอดหลงโก้เป็นต่หลหลเปจุดวลงเปนที่ดีก็มีมูลเกินไปไ่ต้องว่านิดเอาโไแก เอาไปใส่แกะเลยหอมนี่อยู่แกินบ่ได้แกงขานี่อยู่แตยกกินบ่ได้อันใดไม่ได้หายีุบัตตัวขาคว่ำชุบความสบายกวได้นี่หัวมานั่งหอม่อมนี้ก็ดีเพมีฟูได้เจียวออกในการกินยื่นย่นตวันตะว่าย มันชุน่ัดสบายันดอารมเส้นชุส้นสบายจิตมันใส่เือสบเป็นสารประโยชน์ไเป็นยาแก่่ไหมไมขตาแก่เป็นยานีมุ้งบนได้ก็เป็นผเสียส่เป็นาอามณ์ดีแล้วไม่หยุดเ่้้ของ มันเกิมแอาใจนั่นเกิดเยาไปหมดผมีความเพ่ช่วยฟงสบายเวันดเพื่อนเ่วันใดมันมีอวาีทใจีือยเา่วมันเห็น เป็นตีเสียอะไรตีสิเห็นไปจับไม่ไหวละตัตายเสียยงตายเป็นาับาจอเราไปเราเาไปบองเด่ลว่าตายน่้ามีคนเกิดไม สอนคือไหวร่วมไหวมีอะรลางใจมีเขาท่านเร่องพวกห่วงห่วงอยู่เจายตดอกม้วนโตม้วนขามว่เจ้าระเเหินทั ข้างงอตา a โดยหน้ามือเปนได้งไมนะ่ลอดงอฟุ่มเด็่ไว้สุดยื่ม่ยมลอดมันข้างเดนะ็กสนะุดปนะิดไวตามยันยาล้ม้นเราว่าหน้าไม่ก็่ี่แล้วน หนึ่งพันเดือเรื่องนี้ตีเงนี้เดันกใชเวลานใหม่ัญหาความย่งงี้ เล้มแน่นนแนนอนยิ่งก็ยิ่งู่ต่อนื่อเวลานีถ้าล่งเโจรหลังจิดแค่ใจควนยางอควยางอย่นิดดได้สายเป็นสายไ่แก่่ไรอยิเียว เสนุ่มมากเลยแตาเสรตยจิใจสียกระโโบท้องกายนัいい้นเีวอ่เพี้ยนกายนั้นสิลอกต่าไปเลยลบให้แต่จิตใจมันหายหมืนอาบเนื้อนั่คเพื่อน ผมว่าหลวงพอหัวฉันหล่อหน้าตั้งเยอะต่อเพื่อนติดของเพื่อนวะหน้าหลวงพ่อหน้าทุกอย่างเราอยากใส่ใส่เงี้ยมู้ได้มือตายแล้วก็สายกไวเพียงตัว หน้ามาเยเอาว่ไปอกงใจาใจว่าน้ำเน้ายว่าตายสั่งไปเลยไปได้ไมทาน้หตามาานั่่วันไหน้เยต้องการเมากแต่ต้องา ต้องมีอยเป็นอยู่ไปอะไรทปหน้าตายเตา่อนี่ยตายเนื้อตายไปนี่รับจ้าวหัวมันย่งมันเจนถิ่มันก็จนถึ่นไม่ดู้งไปารอย่างพวกน้นเนทีแหน้าหลอกเหล่อย่างขาดฉันข้าวควนปล่อยคางปล่อย้ลใู เสีดาตลอดเสียแล้วตายแต่ยังยายอยู่มัไม่อยากตายรู้ว่าตายมันเป็นเชิหนาวาหนาวัวห้อจมันหลงมันแค้นลูกแต่แม่ลูกมันมุ่งหน้าวานนะควรยังยังไม่ตาย สายขาดเหมสมมั่งมนต้องไปตามเหื่อของมั่งต้องมีอะไรสายเดินเล้อยอยู่กับผูจับเลยต้องมุดเข้าไปเลยตายเดินยอยู่มั่วๆเลยตายต้องหลต้องบวชมั่งไปเลยวุ่นไปเลย วันแรกมันก็ตายเหนวมันก็ตายแล้วมนก็หาเมันดกนดเียงกันมันมอนเนี่ยเวันยูเนี่ยเดิบปุกส มีอันไหนจากกันบ้าโอเคจึงประโนเาสาูกนะโอ้ยประโยชน์เจ้าเอ้ยผมมีเด็กสามเจเ็อนยางเลยอาวแสงสาใจหอมนุ่มท้งสามทัสามพ่อหัวทั้งสอนสีแดนงสตัว ก็แล้วจเห็นาไหนเนอคอว่าคม่ว่าเทวีสวะว่าตัวตัวเหมือนกันหลีจะแล้วที่น่ ้นต่ำขั้นสอของคนมีเยอะหลายจุแ่บ่าวอกอยากจาตัวแต่ทั้งหมดั้นต่ำขอนาดแบบแบบนี้แหะันที่สี่โฟร์สี่าน ผมมีแตมีเลลาผมภายในมีฝนทํามทังหายนน่อเพาะว่าคืกายคืใจคือหัวคแล้วไปโจมก็ไปหาเนากำเนิดไปหาเนาะกำเนิดท่ำแจกความสามสาวม่ยืดหยุ่นหยุดความหองที่เิดปหาไมยืดหยุ่นากฝนมัเกิดที่ี่เป็นยื่น แดดหน้าเอายังพ่อมาดีบุญเลยพระเจ้าจอมมันดูเกิดจทกเกอร์เห็นแจ้งเลยฟ้องเลยย่งโมโหกเห็นน้ำตัวเาตัว่ไหลมาดีไหลดีมาจัดแล้วครับ แต่ถ้าม mm. right. ันรูดฟองรูดมันยากมั้งรูดมันฟองยากนี่ก็ตัวเม็นยาเลยตัวมันเป็นข้ามแก่ไปดื่มก็รูดข้ามไปดื่มเนี่ยยิ่งมม พอคนเห็นคนเจนคนหูยางันมเ็นมอหูคือาอนมยามู่น้เียองโมยันหูหยบยไไหูยนต้งรงเน้นต้องสูวฉันน้งเดียวกันมัมไป้ได้หยบไปได้ ย้อมไปได้แ <ười> ต่เน ال like ้นว่านู่นูว่าสลาดกินจังเราไมบเปนไปได้แต่ยกขั้วยกขั้อยู่เป็นเป็นไพ่น่าจลบหเป็น่างอยางขอไพ่ช่างไปช่างน่ะไอ้ผู้ีปจะมบูร การเป็นการสายของคนทีอยู่นี้จะคิดไปยากต่ออยู่ก่ถึงเด็กของคนอื่นเกิดมาเป็นปัญหาของคนอื่นมันไม่ถือมาทำในโลกดีใดญตัวได้ นะไนะพศอดีหัวตกตาไหวตาดูบานมั้แกะกระจกยังไงหัวเลย คนให้เงคน่นนเาเกลันนทเป็นสนภาษาบ้นบกถามนั่ยูนเงินย